สัตว์ไม่มีเท้าที่ชื่อว่าสัตว์ไม่มีเท้าได้แก่งูปลาภิกษุมีทัยจิตจับต้องสัตว์ไม่มีเท้ามีราคาห้ามาศหรือเกินกว่าห้ามาศต้องอาบัตทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัตทุลใจทําให้เคลื่อนที่ต้องอาบัตปาราชิก